ฉะนั้นการจเจริญกุศลตรงนี้ก็คือที่จะเป็นไปกับการกระตุ้นทําให้เจตนาศีลมันเกิดขึ้นเป้าหมายคือเราฝึกในการที่จะใช้เจตนาที่เป็นไปกับกุศลให้ชัดเอาให้ถามได้ เ, เวลาเหลือน้อยเลยเนาะที่จริงว่าจะาว่าไปตามลําดับของศีลเยอะจัดไปนะแต่ต้องการให้ถามเลยดีกว่าเวลาเหลือน้อยเนี่ยเอาเลยเพงพอคืออย่างนี้อาศีนแปดมีอะไรบ้าง ข้อที่หนึ่งเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าเนะาะจากการทําลายชีวิตสัตว์ที่ตกล่วงข้อที่สองเจตนาที่งดเว้นจากการลักเห็นไหมจากการลักข้อที่สามเจตนาที่งดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมก็คือประพฤติไม่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ร่วงละเมิดเมตุนธรรมข้อนี้ใช่ไหมที่เราระวังเนี่ยก็คือคือต้องการจะบอกว่าการรักษาศีล ที่นั่งมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ต้องการถูกกับชายเลยเพราะกลัวศีลจะขาดจะบอกว่าศีนแปดหรือศีนอุโบสถเนี่ยไม่มีข้อนี้เข้าไว้ที่จะบอกทั้งหมดก็คือว่าเรื่องศีลเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบแต่มันเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทุกข้อแล้วเข้าใจวัตถุประสงค์แต่และข้อที่รักษาด้วยว่า คำว่าการไม่ล่วงละเมิดในเมถุนธรรมก็คือไม่ประพฤติอาการอย่างคนคู่ที่เขากระทากันนะเขตผลเพราะเราต้องการประพฤติพรหมจรรย์ที่บอกว่าเราต้องการกระทําอย่างที่ประเสริฐพระอารหันตตาเจ้าทั้งหลายเว้นจะขาดจากการคู่ครองตลอดชีวิตเราที่เป็นชาวบ้านเนี่ย ถึงวันท้าทีเราก็สมาทางให้ตั้งมั่นว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะไม่ล่วงละเมิดในการประพฤติอาการอย่างคนคู่ด้วยการล่วงละเมิดเบญุนธรรมเหมือนชาวบ้านที่เขาก็ททำกันเหมือนคนที่มีครอบครัวเขาก็ททำกันเพื่อบูชาเพื่อเดินตามรอยพระหานบูชาคุณของพระเจ้าใช่ไหมล้วฉะนั้นที่เราตั้งใจในลักษณะอย่างนี้เนี่ย แต่ความตั้งใจเจตนาตรงนี้เป็นเจตนาศีลเมื่อตั้งใจมาเบีดเสร็จแล้วก็มาบริหารความคิดก็ให้เกิดความรู้สึกเราเห็นบุคคลอื่นเห็นบุตรเห็นสามีของบุคคลอื่นก็ตั้งสมาทานในใจทุกครั้งว่าเรางดเว้นขาดแล้วเราเกียวเราเห็นหรือไม่เห็นเราน้อมนึกว่า เรางดเว้นขาดจากการมีคู่ครองด้วยอาการของคนคู่แล้วเราเป็นอุบาสิกาปฏิบัติตามกุศลศีลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติไว้เพื่อจะละกิเลสคือความยินดีพอใจในสัมผัสทั้งหลายเป็นต้นคือโภทพธาตัิหาเป็นต้นนี่แหละยินดีพอใจในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ทั้งหลายนี่แหละ ตัญหาที่เกี่ยวกับการมีคู่ครองและอาการของคนคู่ทั้งหลายเราได้งดเว้นได้สภาพจิตใจที่งดเว้นได้อยาว่าแต่งดเว้นกับคนคนนี้เลยแม้แต่สัตว์ทั้งหลายทั้งจักรวาลที่จะเป็นเหตุเป็นวัจจัยให้เราล่วงละเมิดเราก็ไม่เคยคิดล่วงละเมิดในบุตรในสามีใครเลยการตั้งใจประมวลความคิดให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นจิตนั้นมีสภาพที่แข็งแกร่ง ตั้งมั่นอย่างนี้นี่คือสภาพของกุศลศีลที่มันเกิดจริงนะทีนี้สภาพรูปแบบสภาพรูปแบบตรงนั้นที่เราไปนั่นเบ็ดเสร็จเนี่ยถ้าไปถือบางอย่างเนี่ยมันเลยกลายเป็นถือว่ามันเหมือนเป็นกฎแม้เป็นกฎแล้วหนักเข้าหนักเข้ามันเลยติดแค่รูปแบบไปตัวศีลมันไม่เกิดจริงต้องระวังนะต้องระวังข้อ น, นี้มากบางทีไอ้ ก, กฎตัวนี้มันเลยกลายเป็นกฎว่ายกตัวอย่างเช่นห้ามพูดเนี่ย ถ, ถ้าห้ามพูดแล้วจะเจริญสัมมาวาจาอย่างไงที่จะเป็นตัวกุศลศีลจะเจริญอย่างไงเพราะสัมมาวาจาเนี่ยเขาให้พูดคำจริงเขาให้พูดคำสมัรสมานสามัคคีเขาให้พูดวาจาอ่อนหวานเขาให้พูดวาจาที่เป็นอัดเป็นทรรู้จาักการเวลาที่ควรพูดไม่ควรพูดแล้วเราจะเจริญกุศลศีลข้อนี้ให้แข็งแรงอย่างไร พระเจ้าไม่ได้สอนไว้อย่างนั้นพระเจ้าสอนให้มีความเข้าใจจะได้เอาไปปฏิบัติให้ถูกจะได้ดูแลกายกรรมวิจีกรรมให้มีความตั้งมัน่นแต่ถ้าไปปิดเปิกไม่ให้พูดเลยเนี่ ย, ย, ยแล้วจะทํำยังไงจะทํำยังไงแล้วแล้วสัมมาวาจาจะเกิดยังไงสัมมาสัมมาวาจาจะเกิดยังไงถ้าบอกว่าห้ามเดินห้ามใช้กาย และสมารกรรมตะจะเกิดยังไงห้ามประกอบอาชีพเช่นเดินไปตปักอาหารเดินไปแล้วก็ห้ามและสมาอาชีวะจะเกิดยังไงการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องทำกุลศลศีลให้เกิดได้จริงนะการควบคุมกายกรรมการควบคุมวจีกรรมและการทำอาชีพให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นศีลของพระและของโยมด้วยมีข้อปฏิบัติที่ไหนไหมว่าว่าดูกรพิสู่งหลายเวลาเธอปฏิบัติห้ามินธบา ห้ามใช้กายออกไปแสวงหาอาหารห้ามทําสมาชีวะไม่มีเลยนะทีนี้เราก็ต้องให้ดูว่าหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้ให้เจริญกุศลในชีวิตจริงเนี่ยให้เป็นทําสัมมาวาจาให้เกิดขึ้นจริงทําสัมมากรรมต่างซึ่งเป็นตัวกุศลศีลที่ควบคุมกายกรรมให้ได้จริงวิจิกรรมเและสัมมาชีวะทําวิ ทำสมาชีวะซึ่งเป็นความเพียรเจตนาในการตั้งใจในการที่จะทําอาชีพนั้นน่ะให้เป็นไปกับกุศลจริงนี่ไงทั้งหมดก็คือว่าถ้าพูดเรื่องศีลต้องให้เข้าใจศีลแล้วเอามาเจริญให้เกิดนอกจากเกิดว่ายอมทุกอย่างยมทั้งเจตนาและการปฏิบัติยมก็ทําครบถ้วนแต่ว่ายมไม่ได้คมาคอยขวนนี้ยังไม่ยังไม่เป็นบริบูรณ์ใชก็ ก็ไม่บริบูรณ์ก็เป็นเพียงว่าเออเป็นผู้ที่มีตั้งใจดีเป็นผู้ที่ศรัทธาเราอย่างนี้สิบแปดรยังได้อยู่แต่ยังถ้าเกิด่ค่อรนใช้คําว่ามันไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากที่หลายหลายท่านที่บอกว่าถ้าเกิดไปรักสิบโศกแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยู่มี่วัดวันหนึคืนหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าข้อใดข้อหนึ่งผานไปก็แปลว่าไม่ได้ ก็คือประเด็นก uh ็ค huh. ือการรักศีลรับศีลอุโบสถเนี่ยรับที่ไหนก็ได้รับเองก็ได้นะไม่จำเป็นต้องไปที่วัดแต่ว่าต้องมีความเข้าใจจะสมาทานที่ไหนก็ได้ตั้งใจที่ไหนก็ได้ศีลที่วัดไม่ใช่ศีลศีลไม่ใช่วัดที่บ้านก็ไม่ใช่ศีลศีลก็ไม่ใช่บ้านต้องให้มีความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยคือความเข้าใจต้องเกิดประการต่อมาก็คือว่า ศีลแปดเนี่ยการสมาทานเนี่ยเป็นศีลที่มีความเข้มข้นที่ว่าการสมาทานเนี่ยเราต้องการสมาทานให้มีความตั้งมั่นในการที่จะทำให้ได้คือหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งและคืนหนึ่งแต่ไม่ใช่คืนหนึ่งและวันหนึ่งในที่นั้นหมายความว่าไปคืนหนึ่งวันหนึ่งในวัดหรือในบ้านแต่เพียงว่าคืนหนึ่งวันหนึ่งนั้นสามารถเดินกุศลศีลให้เกิดขึ้นได้จริงนวันหนึ่งคืนหนึ่ง จึงเป็นศีลที่พระ อ, องค์บอกว่าเดือนหนึ่งมันมีสี่ครั้งก็ถามว่าดูก่อนอุบาสกดูก่อนอาบาสิกาเธอรักษาบวชสดศีลกันบ้างไหมอุบาสกาบาสิกาก็บอกบางค่าวก็รักษาบางค่าวก็รักษาผู้เจ้าว่าทําไมเธอถึงประมาทกันทั้งๆที่เดือนหนึ่งมีแค่สี่วันเองเห็นไหมเล่าทําไมเธอประมานะทนักทําไมปล่อยสติให้เลอะเลือนไปอย่างนั้นเล่าทั้งๆที่เป็นอริยทรัพย์ของพวกเธอทําไมไม่เล่งขวนขวาย ลมหายใจก็จะขาดกันอยู่แล้วศีลสําคัญกว่าชีวิตศีล ส, สำคัญกว่าอา ว, วัยวะสําคัญกว่าทรัพย์ทําไมไม่ตั้งมั่นพระเจ้าก็เตือนสติใช่ไหมละ่ะ mm hmm. เราจําพุทธโอวาทได้แล้วก็โอ้ไม่ได้แล้วก็ระลึกถึงพุทธโอวาทก็รับสิ mm hmm. ถ้าเรามีเวลาอีกผลที่เราไปรับที่ทวดัดเนี่ยเพราะเราศรัทธาครูบาอาจารย์ไงที่ท่านเป็นผู้มีศีลมันจะทําให้เรามีความมั่นคงมากขึ้นเราก็ไปรับที่วดัดใช่ไหมละ่ะ หรือถ้าเรามีไม่เวลาเราอยู่ที่บ้านเราก็ทําได้แต่เป้าหมายทั้งหมดต้องทําจริงๆไหมเออต้องตั้งใจจริงๆนะไม่ใช่ว่าเออพอไปรักษาที่วันรู้สึกเออสีเกิดดีเธอพอมาทําที่บ้านสีไม่ก็เกิดอันนั้นแปลว่าไม่ได้เข้าใจตัวกุศลสีจริงแท้จริงยากไหมไม่ยากเนาะทั้งหมดนี้อยู่ตรงไหนยอมอยู่ตรงที่ความเข้าใจใช่ไหม ถามถ้าไม่เข้าใจในการปฏิบัติมันก็จะต้องคืออย่างนี้นะไม่เข้าใจเรื่องศีแปดต้องไปฟังให้เข้าใจเรื่องสีแปดโดยเฉพาะทุกข้อติประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถามว่าเข้าใจเนี่ยศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยทิ้งวัดเว้นจากการฆ่าเนี่ยอานิสงก์ของการรักษาสีข้อที่หนึ่งมีเท่าไหร่มีมีห้ามีห้าองคประบ อันนี้สงของการรักษาศีลข้อที่หนึ่งนี่นะการงดเว้นจากการฆ่านี่นะมีอยู่ยี่สิบสองอันนี้คือคนเข้าใจทำไมเขาต้องรักษาศีลข้อแรกเพราะเขาเห็นว่าหนึ่งเมื่อกุศุรศีลข้อแรกเนี่ยให้ผลจะทำให้ตนเองเป็นผู้มีมีความบริบูรณ์ในอวัยวะน้อยใหญ่ ฉะนั้นเราก็มาพิจารณาว่าเราเนี่เป็นผู้มีความบริบูรณ์ในอวัยวะน้อยใหญ่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับเป็นต้นอะไรเนี้ยอวัยวะร่างกายของเราบริบูรณ์ทุกส่วนส่วนไหมที่ทุกสัดส่วนเพราะเป็นนิจสีนในอดีตฉะนั้นเราเห็นมุมตรงนี้บางคนก็ขาดตกบกพร่องฉะนั้นเราเห็นอดีตสองข้อนี้เราจึงรักษาศีลประการต่อมาก็คือว่าความถึงพร้อมด้วยส่วนสูงและส่วนกว้าง เป็นคนที่มีส่วนสูงก็ดูงามส่วนกว้างก็ดูงามไม่ใช่กว้างเกินไปไม่ใช่สูงเกินไปดูพอเหมาะสมอันนี้เป็นผลของกุศลศีลข้อแรกคือวัดเว้นจากการฆ่าประการต่อมาถึงพร้อมด้วยด้วยเชาแล้วไหวพลิบงั้นคนที่รักษาศีลข้อที่หนึ่งมาดีเป็นผู้มีสติปัญญาคล่องแคล่วว่องไวเนะเวลาเราไปฆ่าสัตว์เนี่ยไปทุบเขากําลังใกล้จะตายเนี่ยสติปัญญาเขามืดไหมเขาจะดิ้นรนไหม นั่นแหละกรรมจากการที่เราไม่เคยไปเบียดเบียนกระแสชีวิตนั่นแหละทําให้เราเป็นผู้มีสติปรรัญญาแคล้วคล่องและว่องไวคิดอ่านอะไรก็ได้รวดเร็วแล้วก็ดูที่ชีวิตของเราเนี่ยเป็นคนคล่องแคล่วในความคิดไหมหรือจะคิดอะไรก็อืดมากมีแต่บาปคอยแทรกเรื่อยๆเนี่ยนี่เพราะเราเคยเบียดเบียนกระแสชีวิตสัตว์มาเยอะกรรมเหล่านี้ให้ผลเลยกลายเป็นคนไม่มีเชาวปัญญาไม่ว่องไวประการต่อมามีความสวยงามมีความเป็นผู้มีเท้าที่ตั้งไว้อยู่เหมาะสม เท้าของคนสังเกตดูนะคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้มาดีเขาดูเท้าก็รู้เลยคนคนี้เ น, นีนดีทําอะไรมามากเนี่ยเท้าที่ตั้งอยู่ดูเหมาะสมสัสดส่วนที่ตั้งไว้ดีบางคนก็เท้าก็โยงใช่ไหมบางคนก็เท้าก็โยงบางคนเท้าก็แปะบางคนก็เท้าหงิงออะไรก็แล้วแต่นั้นนะ่ะเคยย่องไปฆ่าเคยย่องไปทํากิจกรรมเกี่ยวกคำปานาฏิบัติมาเยอะ บางคนก็มีสัดส่วนไม่งามเช่นค่อมเตี้ยบ้างหลังคดหลังโกงบ้างเนี่ยเคยค่อมเคยงอง ง, องไปเคยแอบหลบซ่อนๆไปที่จะไปฆ่าเขาไอ้กรรมเหล่านั้นก็มาเบียดเบียนทําให้กระแสชีวิตของตอนเองพิกลพิการแบบนี้นี่เขาเห็นอานิสงส์แบบนี้เป็นต้นแล้วก็บอกว่าความสะอาดเอ่ยความอ่อนโยนนั้นคนที่ไม่เคยฆ่าเขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนทําไมถึงอ่อนโยนอัธยาศัยอ่อนโยนเพราะ คนที่จะถูกฆ่าคนที่ถูกเบียดเบียนเขาไม่อ่อนโยนเขาจะลุกลี้ลุกลนเขาจะเป็นคนฟุ้งซ่านเขาจะเป็นคนกระด้างเพราะเขาจะหนีตายเขาโกรธฉะนั้นไอ้ ก, กรรมเหล่านั้นเลยกายมามาแต่งรูปประกายของตนเองแล้วทําให้ตนเองนะปีพูกรูปประกายไม่อ่อนโยนอย่างนี้เป็นต้นความกล้าหาญคนที่ไม่เคยฆ่าสัตว์มาเลยเนี่ยมาในปัจจุบันในพบเนี่ยเป็นคนกล้าไม่กลัวไม่กลัวตาย ไม่กลัวงูไม่กลัวเสือไม่กลัวช้างไม่กลัวสัตว์ทั้งหลายทําไมจึงไม่กลัวเพราะอัธยาไัยที่ไม่เคยเบียดเบียนใครน่ยจึงไม่กลัวอย่างนี้เป็นต้นเขาเห็นอา น, นิสงส์อีกเยอะนะในรายละเอียดเนะี่ยนี่เห็นอา น, นิสงส์แบบนี้เขาจึงและทุกข้อมีอา น, นิสงส์หมดเยอะแต่พระเอ释ชาวพุทธเราเนี่ยต้องยอมรับข้อแท้จริงเราไม่รู้เหตุและผลเพราะไม่รู้เหตุและผลเนี่ย ตัวกุศลศีลจิงไม่ได้ผัดดันอยากจะรักษากันแบบจริงๆ จ, งจังๆและไม่เห็นโทษอันนี้ยังไม่ได้กล่าวว่าโทษนะถ้าโทษต้องไปปฏิบัติเนี่ยถ้าทำข้อแรกไปจะได้อะไรเนี่ยแต่กล่าวให้ฟังมันเป็นเรื่องยาวไงทีนี้ถ้ามองมองในลักษณะนี้ว่าหนึ่งอายุสั้นทําไมเราจรึงต้องรักษาศีลข้อแรกเพราะคนที่ไม่รักษาศีลข้อแรกเนี่ยอายุก็สั้นถ้าปัจจุบันเนี้ยในอดีตไม่รักษาปัจจุบันก็อายุสั้น แล้วมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เบียดเบียนตลอดเวลามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนตลอดเวลาพระโทษการไปรักษาศีลก็อนแรเป็นคนทุพพลภาพสัตว์แต่ว่าเป็นคนเ น, นี่ยบางคนจะสัตว์แต่ว่าเป็นคนนะสมมติว่าเท้าก็ด้วนมือก็กุดตาก็บอดน้ำเป็นคนกับเขาได้ไหมนั่นก็เป็นอบายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นอบายอย่างหนึ่งนะนีไ่ไงแล้วก็เป็นคนอ่อนแอ เป็นคนมีกำลังกายอ่อนแอมากทำอะไรก็ไม่มีแรงเพราะอะไรถึงอ่อนแอเคยไปตัดเส้นประสาทเขาเคยไปทุบเขาเขาไม่มีแรงมาก่อนไอกรรมเหล่านั้นเวลามาให้ผลตอนเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่แรงน้อยไม่มีแรงหรอกให้เลือดอยังไงก็ไม่หมดให้เลือดอยังไงแล้วก็เชยช้าทำอะไรก็ช้าเอ้าทำไมถึงทำช้าคนที่ถูกทุบถู ก, ถ ก, ถกตีใกล้ตายเนี่ย โดนทุบสมองโดนอะไรแ้วคิดช้าไหมช้าเขาไอ้กรรมที่ไปทำให้เขาช้าตัวเองก็ช้าด้วยแล้วก็รูปไม่งามเกิดมารูปไม่งามไม่น่าชมถูกคนอื่นฆ่าหรือเอาที่นั่งนั่งอยู่เนี้ยเคยคิดฆ่าตัวตายไหมเนี่ยเนี้ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกกรรมอะไรอ่ะ กรรมอะไรถึงอยากฆ่าตัวเองตายกรรมปาณาธิบาีเห็นชัดไหมเล่านี่ยเคยทำปานนาธิบาีไว้ไม่ถูกฆ่าก็ต้องคิดฆ่าตัวเองตายเห็นโทษไหมเล่าเกิดมาไม่ต้องมีใครมาฆ่าเดี๋ยวมีเครียดเดี๋ยวอยากฆ่าตัวเองตายเลยเนี่ยโทษของศีลข้อแรกไม่ดีเห็นหรือยังไม่ถูกฆ่าก็ก็จะฆ่าตัวเองตายแต่อย่าลืมนะว่าคนที่ฆ่าตัวตายมาจากความคิดไหม แล้วตายแบบไม่มีเหตุผลเนะี่ยคนที่ทำบารนติบาตเนะี่ยไม่น่าตายก็ตายใช่ไหมก็อย่างยกตัวอย่างที่อยู่รลัลบุเรียควายลูกอยู่ดีๆทหารโดดล่มมาทับตายอย่างเงี้ยนะเนี่นะนยทหารก็ตายด้วยตัวนี้ก็ตายด้ว ย, ย, วยอย่างเงี้ยดูทีเนี่ยนะตายแบบไม่ค่อยมีเหตุผลเนะี่มันต้องตายอะ่ะอายุสั้นเน่ะอีกคนหนึ่งเขาเป็นลูกของเ อ, งอกอัครชทูตที่ต่างประเทศที่ไปนอน อาบแดดอยู่อีกคนหนึ่งมันจะฆ่าตัวตายขึ้นไปบนชั้นเจ็ดมันก็โดดลงมาก็มาทับคนนี้ตายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเรื่องปนาธิบาศเนี่ยมันอ่ น, นั่งฟังธรรมอยู่อย่างเนี้ยนะที่บางประมาเนะี่ยมีเครื่องบินบินบินบิ น, บนมาก็ตูม้มไปตรงไกลๆความน้ำมันมั น, ม, นมันล่วงตรงนั้นไอ้เ น, นี่ยกํากลังฟังธรรมอย่านี้ถ้าใครมีโทษปณิธานบาศแรงๆนี่นะคอยคนอื่นเสนะียในเนี่ยอันนี้เรื่องจริง เขาถึงบอกว่าอยากคอบคนพานเข้าใจไหมถ้าถ้ารู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนที่มีบาปเยอะๆพยายามเลี่ยงไกลๆหน่งบาปบังทีบุญเรามันไม่แข็งแรงพอที่จะคุ้มครองตัวเองไหวนบางทีไอ้บาปเราก็พอยได้โอกาสให้ผลด้วยมีบริวารก็พินาศดูที่เนี่ยเพราะเราไปฆ่าเนี่ยหนึ่งไปฆ่ามดตัวหนึ่งเนี่ยถามว่าบางทีเขาเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมเขาแตกแยกมัน กรรมที่เราไปทําใำเขาแตกแยกเนี่ยเราก็พินาศในบริวารเหมือนกันถูกเป็นคนที่ขาดเกิดมาเป็นคนกลัวพอมืดลงก็กลัวนะบางคนเนี่ยเป็นคนที้กลัวแล้วถูกรังแกเป็นที่รังเกียดด้วยมีแต่คนปองร้ายมีศัตรูมากโดยประสบแต่ความโศกความทุกข์แล้วก็คือพัดพากจากของรักเพราะเราไปพัดภาคเขาแล้วก็มาดูที่ชีวิตเราเนี่ยมีไหม ถ้ามีอย่างนี้ชัดเลยเนี่ยตัวปณฏิบัติเนี่ยเราทํามาแล้วอยู่ในครอบครัวก็ทะเลาะอยู่นั่นแหละไม่ค่อยมีความสุขหรอเป็นไหมเนี่ยโทษของปฏิบาตจะได้เห็นว่าโอ้โห น, น่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็มีลักษณะท่าทางที่ไม่ดีถามว่าคนที่ทําคนที่ถูกทุบคนที่ถูกทําร้ายท่าทางเขาสวยไหมโดนทุบหัวตูบเนี่ยเขายังดูยิ้มชินบานีไหม ไอ้กรรมที่ท่าทางที่ไม่งามมันก็มาเบียดเบียนทําให้กระแสะชีวิตของเราเนี่ยอิเปไม่งามเห็นไหมเขาเห็นอะไรเนี่ยเห็นคุณของการรักษาศีลข้อแรกและเห็นโทษของการไม่รักษาสีนข้อแรกเขาจึงรักษาอย่างตั้งใจเผอิญชาวพุทธเราไม่ได้มาแจกแจงคุณและโทษแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเข้าใจไหมเราก็เลยรักษาศีนแบบลมลมแรงแรงไงเข้าใจย่าง เนี่ยไปโทษอาจารย์อีกแล้วนี่ปรับพลายพ้นตัวอย่างเงี้ยเาเรียกคนไม่รับผิดชอบ เ, เออไไขาอ่านซิ <c oughs> อ, อ่านซิ <c oughs> มีในพระไตรปิฎกอัตถาฮะเออเดี๋ยวจะทําให้<ม>ให้ม่เชียวมาแจกให้ขออ่านเถอะก็เอาถามเนอ อ๋อลักษณะท่าทางที่ไม่ดีเป็นคนเกิดมากับเขามีท่าทางที่ดูทีไรน่าโกรธคําว่าสัมมาวาจาอามาใช้คําว่าเราก็ยังไปเข้าใจกันผิดคิดว่าไม่พูดนั้นเป็นสัมมาวาจาแต่แท้จริงสัมมาวาจาเนะี่ยท่านหมายความว่าให้ใช้คําพูดที่เป็นไปกับการพูดคําจริง พูดส่งเสริมความจริงแล้วพูดสมัครสมานสามคัคคีพูดทำให้คนที่แตกร้าวให้สามัคคีกันให้ใจเป็นไปกับเมตตากรุณาเป็นต้นแล้วมีการที่จะว่าพูดด้วยปียะวาจาเป็นวาจาที่อ่อนหวานมาจากจิตใจที่เป็นไปกับกุศลแล้วก็พูดเป็นอัดเป็นธรรมพูดมีเหตุมีผลกถ ก, ถ, กถูกการถูกเวลาเหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นต้น แต่บางคนไปสําคัญว่าปิดวาจาไม่พูดแล้วเป็นสมาวาจาก็เลยไม่ได้ฝึกศีลทางวาจีกรรมที่สุดจริงๆศีลข้อนี้ก็ไม่ได้เจริญจริงๆแต่ข้อแท้จริงก็ไม่ได้เจริญจริงหรอกก็ไปอั้นเข้าไว้ไปกดเข้าไว้ทั้งชีวิตก็เลยไม่รู้จักหน้าตาของสมาวาจาที่แท้จริงแล้วที่สุดจริงๆวจีกรรมก็ไม่ได้ถูกขัดเกลวอัธยาศัยก็ไม่เป็นไปต่อการละบาปได้จริง บาปที่เกี่ยวกับการพูดเท็จก็ไม่เข้าใจว่าเจตนาที่พูดที่คิดจะพูดเท็จที่มันเป็นไปกระบาดอกศรรุศลและทำรามกมันถูกถอนรากถอนโคนได้โดยด้วยการใช้วาจาที่เป็นไปกระกุศลเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนที่สุดจริงๆจะได้ละได้อย่างถาวรในอริยมรรคได้ยังไงก็ไม่ได้ถูกเจริญขึ้นมาได้จริงๆก็ได้แต่ไปกดเข้าไว้ไปกดเข้าไว้ ดูเหมือนจะไปสงบที่วัดกลับมาที่บ้านกับพุกพุกผ้านไปสงบที่วัดกลับมาที่บ้านกับพุกผ้านอยู่ดีบุคลิกไม่เคยเปลี่ยนนายกนางกอมีอัธยาศัยอย่างไรก็เป็นนายกนางกคนนั้นเป็นคนเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายยังไงกลับมาก็เครียดง่ายวิตกกังวลง่ายดูไปได้อารมณ์ใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่ในวัดกลับมาในบ้านมาได้อารมณ์เก่า สิ่งแวดล้อมเก่าก็มานั่งเพียดนั่งกุ้มนั่งวิตกกังวลงก็ใช้มิจฉาวาจาอีกก็ไม่ได้ถูกถอนได้จริงๆนี้โทษของการไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าถ้าสำรวมวาจาแล้วจะได้จะได้อนิสงอย่างไรเช่นกรณีของคำว่าเป็นท่าล่วงละเมิดทำไมพระเจ้าถึงบอกให้ให้สำรวมวาจาให้พูดคำสาดคาจริง ถ้าเราเป็นคนพูดไม่จริงเอ่ยพูดเพศส่อเสียดเป็นต้นเลยจะเป็นคนพูดไม่ชัดกรรมนั้นจะทําให้พูดไม่ชัดมีฟันไม่สม่ําเสมอกันแล้วก็ดูที่อัตภาพของเราเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีกลิ่นปากแรงมากเนีย่ยดูเนี่ยนะหรือเป็นมีไอตัวที่ร้อนผิดปกติเพราะโกหกเขามากมันต้องใช้โทสะเยอะ ไอ้เลยกลายเป็นคนที่มีกลิ่นไอกลิ่นตัวร้อนแล้วมีตาเหลือกโพลเวลาคนที่จะโกหกพูดเท็จตั้งหลายเรื่ีงต้องทำท่าแต่งหน้าแต่งตาต้องทําตาให้เขาเชื่อไอ้กรรมเหล่านั้นก็เลยทําให้ตาตัวเองเหลือกโพลแล้วก็ไม่น่าดูแล้วมีวาจาหยาบคายเป็นคนที่พูดหยาบเป็นอัธยาศัยท่าทางก็ไม่สงา่าคนโกหกคนเนี่ยต้องตั้งท่าไม่สง่านนะมีการ โยกตัวพูดบ้างอะไรบ้างกรคำเหล่านั้นก็ทําให้ตนเองมีท่าทางที่ไม่สงา่าแล้วก็คําพูดไม่เป็นที่น่าเชื่อถือคนฟังแล้วเขาไม่เชื่อถือพูดไปแค่ไหนมาปัจจุบนันเอ๊ะทําไมเราก็พูดถูกนะทุกวันเนี้ยพูดจนคอเป็นเอ็นปากก็ยังเจ็บหมดแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อเหมือนอัลมาเขาพูดเพ้กเราเนี่ยเนี่ยกรรมมูสาววาดเป็นให้ผลบอกยอมยังไงยอมก็มาตั้งท่ามันจะจริงหรือเนี่ยเข้าจใจอย่างกรรมให้ผลนี่ยังแต่เนี้ย นี่ให้ผลอามาอยู่นะทั้งๆที่อามาเอาธรรมะมากล่าวยอมก็ไม่เชื่อแต่ถ้าเจอสิ่งผิดๆนี่นาะยอมรับฟังโอ้ใช่เลยฟังลึกซึ้งกระแทกใจยอมเลยว่เนาะไปเลยถึงเป็นงั้นจริงไหมล่ะนี่ก็สังเกตถ้ากรรมสมมตินะถ้ า, ามาทมํามุสาวาทมาเยอะเนี่ยเวล า, ามาพูดคำจริงอามาก็พูดเหนื่อยไปสินั่นอามาจะไม่ทุกใจกับการพูดไปแล้วยอมไม่เชื่อหรอกเพราะตอนนี้อามากําลังทําสัมมาวาจายู่ อามาตงเจริญกุศลใหม่อยู่แต่ก่อนอามาทํากรรมเหล่านี้มาเยอะฉะนั้นจะพูดไปยมไม่เชื่ออาจะทุกข์ใจไหมทุกไม่ทุกอาแต่พูดไปวันเนี้ยอมไม่เชื่ออาจะมาทุกข์ใจไหมเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะทําไมจึงไม่ทุกเพราะรู้เหตุและผลฉะนั้นถ้าพูดสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามไปถ้าคนจะไม่เชื่ออาตะมาจะไม่เครียดกันเลี้ยงเนื้ ถือว่ามาได้ทํากุศลกรรมใหม่ก็มาแล้วและจะตั้งใจทําต่อไปและจะไม่ถอนความตั้งใจในการพูดคําสัตย์สคำญิงด้วยและจะพูดสัมมาวาจาร์ไปจนกว่าลมให้ใจจะขาดก็ตั้งใจเนี่ยเนี่ยถ้าอาตภาพยังเป็นไปอยู่จกสมาทานสัมมาวาจาร์ไปเรื่อยๆคนเชื่อหรือไม่เชื่อมาไม่เอาตรงให้เป็นประมาณเอามาเอาตรงที่ได้เจริญกุศลสัมมาวาจาแล้ว อ, นนอันนี้เป็นการเจริญกุศลไหม เป็นการเจริญกุศลฉะนั้นพูดไปผลโดยตรงก็คืออามาได้เจริญสมาวาจาผลโดยอ้อมที่ได้คือโยมเชื่อเชื่อโยมไม่ได้เชื่อมานะยอมเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เห็นไหมแต่ละข้อเนี่ยมันมีเหตุและผลชาวพุทธไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้การรักษาศีลก็อ่อนแอเพราะไม่เห็นเหตุและผล มันก็เลยรักษาศีลต้องรักษาศีลนะศีลจะทําให้ดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ดีแบบไหนดีตามความเข้าใจของเราไม่ดีตามความคําสอนพระเจาเนพระเจ้าจะบอกเป็นแบบนี้ถ้าฆ่าสัตว์เป็นอย่างนี้นะถ้าเลือกฆ่าจะเป็นอย่างนี้ไล่บุกแต่ะข้อถ้ารักทรัพย์จะเป็นอย่างนี้แต่ละข้อไล่ไปเลยยี่สิบสามสิบข้ถ้าไม่ฆ่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าประพฤติในกรรมนจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ประพฤติแต่กรรมจะเป็นอย่างนี้ ถ้าพูดเท็จจะเป็นอย่างนี้ทั้งงดเว้นในการพูดเท็จจะเป็นแบบนี้ถ้าพูดส่อเสียดจะเป็นอย่างนี้งดเว้นในการพูดส่อเสียดถ้าพูดเพ้อเจ้อถ้าพูดคําหยาบจะเป็นอย่างนี้ทั้งงดเว้นในการพูดคาหยาเพ้อเจ้อจะเป็นอย่างนี้ถ้าโลภจะเป็นอย่างนี้ถ้าโกรธจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่โลภไม่โกรธจะเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นผิดปฏิบัต like. ิผิดเชื hmm, yeah. ่อผิดจะเป็นแบบนี้ถ้าปฏิบัติถูกเห็นถูกจะเป็นอย่างนี้วุฒิย่าก็กล่าวกุศลกรรมบวมูลเลยโทษของการละเมิดกุศลกรรมบวด้วยกล่าวเหตุและผลก็ไว้ พอเราฟังไปเสร็จผูเจ้าก็บอกว่าเธอเลือกเองอถ้าอยากเป็นคนพิคนพิการก็อย่าไปรักษาเจอมดข่ามดเจออวกข่าปวกข่าได้ไม่เป็นไรแต่เธอเจ็บปวดห้ามห้ามมาอุทธรดีการนะเพราะชีวิตของเธอเจ็บปวดเองทุกเองทรมานเองใครเป็นคนประหารชีวิตเธอแต่ตัวเธอเองนั่นแหละว่าเธอไปประหารชีวิตของสัตว์อื่นกรรมก็เลยต้องมาปะหารชีวิตของเธอทาให้เธอต้องวิบัติ เห็นไหมเหตุแล้วผลมันก็สมดุลกันพุทธเจ้าสอนเหตุผลไหมสอนเรื่องเหตุแล้วผลต้องการแล้วเนี่ยไปองต้องเอาไปกล่าวเนี่ยไปคิดอย่างนี้ทําไมต้องคิดก็จะเอาไปกล่าวเอามาไม่ค่อยชอบใจคํานี้เลยจัะเอาไปปฏิบัติได้ไหมก็ปฏิบัติด้หมดแล้วก็บางทีก็เป็นสิ่งที่ดีคนก็ไม่รู้ก็จะได้รู้บางอย่าง ที่วางแล้วเก็ได้ประโยชนตัวเองก็เอาใครที่ใครใครฟังฟังคิดว่าอยากไปสอนคนอื่นบางยกมือทิ้งใครคิดว่าจะต้องเอาไปสอนตอนเองโออย่างเงี้ยด้วยเราต้องมูกด้วยถาว่าตอนนี้ใครทำกิตตัวเองสำเร็จหรือยังเออทำกิตตัวเองให้เสร็จก่อนดีหม พระเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิตอันใดที่ตะถาคตกระทาแก่เธอจิตอันนั้นจะถาคตทําแล้วแต่ว่าราคาถาคตก็ล้าแล้วโทสาก็ล้าได้แล้วโมหะก็ถอนรากถอนโคนได้แล้วโมหามานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหีริการนอตปะอุทธะจะอกุศลบาปอากุศลธรรมอลามกถาคตถอนได้กระทั้งรากแล้วใช่ไห ม, ไหมฉะนั้นจิตอันใดที่เราควรกระทาแก่ภิกษุแก่ภิกษุณีอุบาสกบาสิกา ถ้าถาคตก็ทําแล้วเธอทั้งหลายจงเพียรพยายามเพ่งพินิษเอาไปประพฤติปฏิบัติขัดเราพระเจ้าได้บอกว่าเธอทั้งหลายจงรีบเอาไปเผยแผ่เอาไปสอนพระเจ้าพูดแบบนี้ไหมฉะนั้นไปขัดเราตัวเองสําใจอสนใจสําคัญที่สุดคือคนที่สอนยากคือเออคนที่ขัดเราที่ยากที่สุดคือ ออนี่แหละแล้วลคนนี่พ้นทุกยากที่สุดกันนี่ยที่นั่งอยู่นี่แหละเพราะไ ม, ม, มค่คือคือมาเข้าใจนะว่าทำไมพระจเจ้าต้องสร้างบา ร, รมีทั้งยี่สบประสงค์ขัยที่มาพูดทั้งหมดเนี่ยที่ที่คนฟังแล้วอาจจะไม่ตื่นเต้นไม่เชื่อเนี่ยเพราะอามายังยังไม่มีบา ร, รมีนั่นเองใช่ไหม มาเข้าใจตรงนี้ฉะนั้นตรงเนี้แต่ให้เราคิดถึงความมหัศจรรย์ของพระธรรมของพระผู้มีพระเจ้าว่าพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตัรสุรุตรสัมมาสัมโพธิญาณจรงิงพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุและผลได้จรงิงสามารถที่จะทําให้ผู้ปฏิบัตินั้นสามารถที่จะพ้นจากวัตทุก์ได้จรงิง ขออย่างเดียวว่าให้เราเนะ้นน้อมจิตเข้ามาเรียนรู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเดินตามพุทธโอวาทอย่างแท้จริงให้มีครูบาอาจารย์นั้นเป็นเพียงที่พึ่งปรึกษานําเราเข้าหาสถานะข่มเท่านั้นอย่าเอามติของครูบาอาจารย์มาเป็นหลักเดี๋ยวกระแสชีวิตมันเจ็บปวดคนที่เจ็บปวดเป็นใครเป็นเราไม่ใช่ของธรรมดานะความเจ็บปวดของชีวิตจนะไม่ใช่ธรรมดาอย่างที่คิดนะก็ลองคิดดูที่เนี้ย ถ้าเราเดินเข้าสู่ล่องมัชิมาปฏิปทาจริงเรามั่นใจไหมว่าขณะเดินเราก็ไม่ตกออกไม่เดินออกจากมชิมาปฏิปทาในขณะที่ยืนในขณะที่เดินในขณะที่นั่งในขณะที่นอนเราสามารถที่วางใจให้เป็นไปกับมัชิมาปฏิปทาได้ทุกขณะไหมทุกขณะไหม <S <S เช่นเห็นหน้าคนนี้ปุ๊บเราวางใจที่เป็นไปกับกุศลได้จริงเลยหรือไปกินอาหารพุ๊บเราก็สามารถเจริญกุศลได้จริง ไปล้างเท้าไปอาบน้าไปทํากิจต่างๆกุศลก็เดินได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดเลยอะโลภะโทสะไม่ได้โอกาสแทรกเลยเนี่ยถามว่าชีวิตเราสามารถใช้กุศลคล่องแคล่วขนาดนั้นไหมตอนนี้คล่องแคล่วอยังถ้ายังเนี่ยอันนี้ตรงไหนที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคก็รีบทะลุทะลวงให้ชัดเสียใช่ไหมจะได้ไม่มานั่งเสียใจในภายหลังก็คือจะได้ไม่มานั่งประสบชาติทุกข์ในภายหลัง จะได้ไม่มานั่งประสบช ร, ทราทุกพยาธิทุกมราณะทุกในภายหลังจะได้ไม่มานั่งประสบความโศกความล่ำเลำลาพันธ์เป็นต้นความไม่สบายกายไม่สบายใจในภายหลังถามว่าตอนนี้เรามานั่งเสียใจหรือยังตอนนี้เสียใจหรือยังตอนนี้เราได้ชาติทุกข์หรือยังยังมีชาติทุกข์อยู่ไหมมีชราทุกข์อยู่ไหมมีพยาธิทุกข์อยู่ไหมมีมราณะทุกข์ไหมเนี่ยมีความโศกความล่ำเลำไหมตอนนี้แหละ เพราะเรามานั่งเสียใจในภายหลังเพราะเราไม่ฟังพระโตว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เธอเพ่งพินิดเพ่งระดมความเพียรเสียอย่าประมาทอสมุกัเดียวเวลาแล้วขอหมดธนาด้วยนะอาจารย์ยงยังไม่รู้เลยมัชิมาแปลว่าอะไรมัชิมาปฏิปทา ก, ก็เป็นชื่อของศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะเป็นชื่อของ เป็นชื่อของสิกขาสามศีลสมาธิปัญญาหนึ่ง